แ น, นะนำบทอัลอละักบทอัลอะลักเป็นบทมักิยาะมีสิบเก้าองค์การกล่าวถึงเรื่องต่างๆดังต่อไปนี้การริ่ลงองค์การให้แก่นบีคนสุดท้ายคือ ม, มูฮัมหมัดสลลลอะลัยวะสัลลัมการละเมิดขอบเขตของมนุษย์และการไม่เชื่อฟังพระบัญชาของอัลลอ์เรื่องของมนุษย์ชั่วช้าอบูยันที่ขัดขวางท่านรอซูนสลลลอะลัวลยวะสัลลัม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 มุฮัมมัดจงอ่านด้วยพระนามแห่งพระผู้วิบาลของเจ้าผู้ทรงบังเกิดโปรง่งทรงบังเกิดมนุษย์จากก้อนเลือดอบบ ม, อมุฮัมมัดจงอ่านเถิดและพระผู้วิบาลของเจ้านั้นทรงใจบุญยิ่งผู้ทรงสอนการใช้ปกากกาผู้ทรงสอนมนุษย์ในสิ่งที่เขาไม่รู้ ลลมไม่ใช่เช่นนั้นแท้จริงมนุษย์นั้นย่อมจะละเมิดขอบเขตเนื่องเพราะเขาคิดว่าเขาพอเพียงแล้ว อ, อบบรรแท้จริงอย่างพระผู้วิบาลของเจ้าเท่านั้นคือการกลับไปอริงอย่างพระผูาองเันอารลั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 อย่างแคำนนมอขมวที่โกหกที่ประพฤติชั่วแล้วเขาเรียกที่ประชุมของชาเราก็จะเรียกผู้คุมนรกไม่ใช่เช่นนั้นเจ้าอย่าได้เชื่อฟังมันแต่จงสืยุดกราบและเข้าใก ล, าาล้อลลอเถิด